เดือนที่สองวันที่สี่ถึงส0เมตตาขยายผลการเสพเมตานานา น, านั้นเหมือนจิตได้ดื่มกินน้ำเย็นรสหวานน่าติดใจเมตตาเป็นสิ่งที่หาได้ยากในผู้คนยุคเราและเมตาก็เป็นสิ่งที่ก่อตัวขึ้นได้ยากในเราเองเมื่อขาดแคลนบุคคลที่น่าเมตตาแต่สาหรับนักภาวนา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 ระหนักตามจริงว่าตนเองยังเป็นผู้ที่มีความโกรธอยู่เหนือสติมีความผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทอยู่เหนือกําลังในการให้อภัยจึงเห็นว่ายังอยู่ในขั้นที่จําเป็นต้องฝึกให้จิตมีปฏิกิริยาคล้อยไปตามกระแสะเมตตาเสก่อนมิฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องกระทบใจแล้วมักโกรธและหมกมุ่นครุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ทําให้ขุนเคืองไปนาน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 ฉันอุทิศเวลาทดลองแผ่เมตตาตามความเข้าใจของตัวเองขึ้นต้นมาคือนึกถึงศัตรูและปร่งใจให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อแลกกับความโล่งหัวอกและโสมนัสเหมือนคนป่วยเพิ่งฟื้นไข้แล้วก็พบกับตนเองว่าโสมนัสในวินาทีที่โปร่งใจได้นั้นมีความแรงพอจริงๆคือปรุงจิตให้เป็นลักษณะเปิดเผย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 มีสติรู้โสมนัสอันตั้งต้นที่ใจซึ่งถ้าปลอดโปร่งโล่งตลอดปราศจากความเพ่งบังคับแล้วย่อมมีลักษณะกว้างเหมือนฟองอากาศใสที่เริ่มกินบริเวณรอบตัวในเขต จ, จำกัดหนึ่งก่อนหากมีวิริยะประคองให้ต่อเนื่องเพียงครู่หนึ่งก็จะค่อยๆขยายวงออกไปเรื่อยๆ เ, เป็นที่รู้สึกได้ด้วยตนเอง